วันอื่นจงเอกามาวันนี้ปประชุมกันเนาะหลังจากกินข้าวเยนป่าเสร็จแล้วไปประชุมะ่างก็อยาจะได้ปรึกษาอะไรกันยืนหนึ่งยืสองคือวันนี้วันนี้เป็นวันอะไรวันนี้วันเกิกินทาอะไรวันนทำอะไรพี เราเป็นจีนป่ะเราคุณจีนป่ะแต่นะเรามาปกติคุณจีนไว้ป็นพระบุตรตอที่มันวายไปวากันที่ไหนกันไปจะไม่คนอิ่มอ่าจะไม่คนอิ่มันเอาหลุดเราเลย ถ้าเป็นใครเราเรียนถ้าเป็นใครถ้าถ้าปันพระบรของเราย้ายไปอยู่อเมริกาเราต้องไปไว่าที่อเมริกาไหมทำตาเอถ้าไปต้องไปตั้งรรากที่ออสเตรเลียตอนนี้เราจะต้อไงไป ไ, นะ ไ, ปไหวที่ออสเตรเลียัหมถามไปไนะถามไปใครตอบน ตอบได้ตอบไปคนละทิศคนละทางที่ถามเนี่ยถามเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ได้เกิดที่เราทำไงทาด้วยสัญญาด้วยความจําแต่พุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาคุณมีปัญญาขอตั้งใจก็จากคนมีปัญญามาเดีกการตั้าสัญญาด้วยจำ ศาสนาเครับเวนแค่จำกันนะจำโลกนี้มีผู้สร้างมีผู้สร้างมีผู้รักษาผาู้ทำลายรัต้อง ท, ทำความดีไปจะได้ผู้สร้างจะได้จะได้รักไม่เอ็นเป็นความเชื่อความเชื่อคือสถารที่ใ้ทำไป็นธราสถานในต่เป็นเหมือ น, นอัปกรหลัก กลายเป็นเชือกมัดตัวเองแต่เชือกไม่ได้คว า, ามศรัทธามันก็เป็นจุดเริ่มต้นทุกอั่งแต่ว่ามันไม่ตามมาด้วยปัญญาเนี่ยปัญหาหลักลมันทังว่าวันเดินเดินพุ่งพาเดินสามเดอนอะไรกแล้วเ สัเกตอีเรื่องหนึ่งคือเรื่องไทยจีนฝรั่งมันจะจองกายกระเดอ น, นตามเดือนนีนมาเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ใครคิดมาว่ามันมันเป็นบังเอิญหรือเ ป, ปอะไรจีนก็เดือนนี้แหละฝรั่งก็เดือนนี้แต่ไทยนี่ก็เพิ่มเดือนไป เอาหมดไทยจีนพลังสูงการปีใหม่ปีเก่าเอาหมดที่ไทยเรานี่งสะุวกได้ทั้งปีที่ไทยแต่ที่ตะพัน์ทางที่คิดแบบเราเราลักสณางของเราคือเดินนี้เป็นปุกาะคือเดินสามแล้วสาวคือมาฆะมาฆะแปลว่าสามเป็นงา น, านารันนบภาษาบาลีในตฝักนี้ เป็นเรานำเดินอายเดินดีสองสามส่เดี๋ยวนับไปบาลีไม่กลายเป็นมักะจริงๆเราไม่ถ้าไม่เอาประเด็นเรื่องเดินเป็นหลักเอากิจกรรมความหมายคำ ว, ว่ามาักะถ้าฝรั่งก็บอกเป็นเดืนองแห่งความรักคือว่าหลานไทยฝึงจริงๆยังไงก็ไม่รู้ จะเป็นเรื่องเล่าเรื่องจริง้เรื่องก็เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่โตระดับโลกได้อย่างไงก็กลับมาที่เดิมว่าศาสนาของเราเป็นศาสนาุทธเป็นจริงโบราณโลกตัวที่ฝรัือเดือนนี้เป็นเดืนอนความรักรัวแรงสักไรเราได้เป็นนักบุญไปละ บุญพิเส้นเส้นวลไทยแต่ไปชื่อพระบุญอาถรรพ์ที่มาที่ไปเรา ม, มีความรู้เรื่องที่มาที่ไปของวันวาเลนไทน์เอาคร่าวๆไม่จานักโทษนี่เห็นหมถ้าอนนาริธานไม่ธรรจริงรู้หมดแหละแต่ถามเพให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกันว่า ระหว่างวันวาทาวันมักนหรือวันจุดจีนอะไรก็แล้วแต่ลองเทียบน้ำหนักตัวที่การเกิดขึ้นของวันสมมุติทาทาาวารลทา์เป็นวันของรักโสดทไ้งหยก็เป็นวายที่ติ ด, ด, ด, ดแต่วันต่อไปทีติดปุ๊บคือคนตุกคิดถึงคนรักตะเกียจุดหมายจุดจุดหมายเลือด รเราเป็นเป็นกลุนะ่ะอัน น, นี้เป็นปเริยธรรมศาสนาเราก็ถือกันชื่อว่าเรากลับมาเรามันมาฆบูชาของเราคือความรักของเราคือความพิบริสุดก็คือเป็นครักของพระอรหันต์ในพันสองร้อยห้าสิบลูปนั้นไม่ใชค่คนเดียวพันสองร้อยห้าสิบูกคือทุกบริสุด ในรไดความบริสุทธิ์มันตเทียบกันไม่ได้นะคนหนุ่มจะมีความบริสุทธิ์ได้ขนาดไหนส่วนเรื่องของความเชื่อของคนจีนมันดูที่เจตนาจนถึงตอนนี้เราจึงไม่เข้าใจว่าด้วยความเชื่อทําตามบรรพบุรุษคือบรรพบุรุษสั่งยังไงก็ต้องทาอย่างนั้นมไปมันปลายทางคือความกตัญญู ในี้ความกรตันอยู่มันจำเป็นต้องวันนี้วันเดียวใช่ไอันนี้ภารทายเกิดเป็นอย่างวันอื่นเราไม่ต้องกระตันอยู่ใช่ไหมวันวานไทยวันนี้เรารักกันวันเดียวใช่ไหมวันอื่นเราไม่ต้องรักกันใช่ไหมวัดจดจีนก็ดีวันวาเลทไทยก็ดี ถ้าพูดถึงความรักเราไปสอนให้รักคนอื่นนี่คือความหมายพวาแตกต่างในวันมัก่ะบูชาของเราสอนให้เรารักตัวเองทักคนในเรารักตัวเองน้อย เมื่อเมื่อเรารักตัวเองน้อยเราก็ไปเรียกร้องความรักจากคนอื่นคืออยากให้คนอื่นรักเราโดยสภาพการมันเป็นอย่างไงทาไมเขาไม่รักเราจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคู่รักทําไมเขารักเราน้อยลงอยากให้เรามากขึ้นอยากให้เราักเราทุกวันคืออยากให้คนอื่นนะถามว่าตัวเองอ่ะรักตัวเองบ้างไหม รักตัวเองจะต้องทำอย่างไรครับตัวเองคือรับร่างกายสังขารตัวเองนะรักอย่างไรถิงเทียวรักตัวเองไม่รักไม่เป็นไรอย่างทำลายตัวเองอันนี้แตกต่างมันบอกันนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์คือเป็นความรักท่านรักคนอื่นแล้วก็เห็นรักตัวเองรักตัวเอง พร้อมตัวเองมีความพร้อมแล้วเพื่อเอาความรักใครมาอื่นเขาอยู่ประกาศเจตนาตรงในวันมาร์คบูชาเรื่อต่างเพๆดังนั้นวันมาร์คบูชานี่ถึงนี้ก็ถือปรกาศเชิญชวนพวกเรามารวมปฏิบัติธรรมสามบันสามปีเยอะไหมไม่เยอะ เพื่อมาเรียนรู้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองจะได้รักตัวเองมากย่างขึ้นเพราะโอกาสที่จะรักตัวเองมันจะน้อยลงทุกวันมันไม่มีการเพิ่มขึ้นแปลว่าชีวิตเรามันไม่ได้เพิ่มขึ้นมแต่จะลดลงทุกวันถ้าไม่เริ่มรักตัวเองบรดษัทเอง มันนีเใครรักราสิมันถ้าเราม่รับเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมงงันลำบากเพอาะฉเราตอ็เรียกร้องความรักจากคนอื่นโดยธรรมชาติโดยทั่วไปมันจะเป็นอย่างนั้นสุดท้ายก็ผิดหวังมื่ีคนไม่รักเราหรือรักเราน้อยลงหรือไม่รักเลยจะกลายเป็นว่าเหมก็เราไม่มีความรักอนะ่ะมันไม่ใช่แล้วตัวเองทําไมไม่รักตัวเอง อย่างน้อยที่สุดก็คืออันนักถึงษากดจีนก็นยังดีนึกศึรตรงที่ิว่าถ้าเราเริ่มรักจากตัวที่รักง่ายที่สุดก็คือครอบครัวของเราพ่อแม่ยาตพี่น้องเพราะว่าเราทำงา่ายเราขอใกล้ตัว นั้นดูแลกันอะไรอยังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลกันไปเรียกว่ามาตายแล้วก็มารักกันก็จะเออรียกวามาร่วมกันรักกันจริงๆแล้วอย่าเอาโรคมาตั้งค์แตก็ไหว้ตัวเองทุกวันไม่มีอะไรหว้ไว่ารูปตัว เ, เองจะได้เห็นว่าเอารูปรมาตราตัวเองมาตตัว เ, เองตัวเอง ตรคนที่ไม่รักตัวเองมันเชิญชวนพวกเรามาร่วมศึกษาเรียนรู้ตัวเองให้มันมากขึ้นกว่านี้แต่ถืเป็นโอกาสเวลานี้แต่กิดเป็นวันหยุดวัน อ, อื่นเราอ้างได้ะไม่มีเวลาเราก็จะเอาเวลานะีมาอ้างเป็นควาอ้างที่ชอบทำและสิ่งสัญคือเวลามันเทียงเราไม่ได้ด้วย จะบอกก็ไม่มีเวลาจริงๆความจริงมันเป็นเช่นนั้นนะเวลามนีทุกคนแต่เราไม่แบ่งเวลาให้เป็นประโยชน์เรากลักบไปปล่อยเวลาแค่หมดไปโดยไม่ได้ประโยชน์หรื อ, อ ได้ประโยชน์ก็ประโยชน์แบบโลกๆี่โลกก็อยู่กันมาตรฐานก็แบ่งให้เรามืดสว่างอย่างละเท่ากันนะกลางวันนี่ก็เือว่าสว่างกลางป็นเือว่ามืดกันนี่ละเอาไ ป, ปรครึ่งเนาะมันจะได้ยุติธรรม นี่เรามาดูในขณะที่มันสว่างอยู่นี่ก็คือกลางวัน12ชั่วโมงเราหมดเวลาไปกับการทำอะไรลองเอากระดาษปะป๊าเรามาเขียนดู12ชั่วโมงเราทำอะไรบ้างที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์สาระก็คือเ็นแก่น เป็นประโยชน์ก็คือทุกประโยชน์เกีจจ่ยจกัยใจสีนี่มี อ, อะไรบ้างต้องไปเช้าขึ้นมาตามว่าตื่นกี่โมงบอกว่าปีนเกคนนเท่าหน่อยเขาบอกว่าตีสามยายกับลูกน ะ, ะ, ะไม่ใช่หลักยานอนไม่หลับปฏิทินย า, ยาก็อิ่มแล้วอิ่เหลือก็ไม่รู้จะอะไรไม่ใช่ยายยายไม่อยากจะตืน่นดึกตื่นดึกเพระพาะตป็นคุมาแล้วมันนอนไม่หลับ พอนอนไม่หลับก็ทำไงไม่ได้ที่จริงว่าคนท่านันนเพ้่เดียวพีอื่นแหละไม่เหมือนเด็กตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่หกโมงแปดโมงเนะี่ยทำอะไรไม่ได้เนะี่ยแต่ะบนบนพารี ม, มากับเรื่องปากเรื่องท้อต้องป้อนมันเข้าไปไม่ป้อนอยู่ไม่ได้พอแปดมองก็งทำอาหารกิน เ, น, ากกา น, าาเนี่นี่มาตรฐานเดี๋ยวเราจัดการในธรรมาติเองเี่ยวกับอะไรก็แล พีซพักอ่ะป้อนเขออีกแล้วเย็นโมงเที่ยงป้อนเข้าไปอีกจะทำงานตั้งสี่โมงเย็นไปสามชั่วโมงกลับบ้านเอามาประกอนอีกแล้วหลังจากนั้นไม่ถึงสองสามชั่วโมงก็หมดสภาพละหมดสภาพก็คือนอนยาวเยียด่ะเอ พอยาใหญ่ก็เป็นเวลามันจะต้องเป็นกระมืดมาปกกลุ่มเลยมันเป็นหมดตาก็ะมืดหูก็มืดปากก็มืดใจกะหันทำอะไรไม่ได้เลยมาอีกสัแปดชั่วโมงก็ะจะฟื้นขึ้นมาก็ตืน่นว่าตื่นคือรู้ตัวนล้ รู้ตัวก็คืออัสสาะมันเกิดขึ้นมันทําหน้าที่ตามันทําหน้าที่หทําหน้าที่เครจอเลยดาร์มันทำหน้าที่มันดับเอาอยู่ละสารวน ว, น ว, นว่นไว้สรุปว่าตั้งแต่สามทุ่มประมาณตีสี่ตกเกืชั่วโมงความดีก็ไม่เกิดความชั่วก็ไม่เกิดตอนนั้นอยู่กับทำรรนี่ล่ะ มีวิตีรกรรมการกระทำทำในเลตสมัยคขาว่านาการจิตมันเกิดเกิดอะไรมันก็นมาสืบภาพมันมนานอบาขึ้มนมาที่เราเรียกว่าฝันภาษาจีนเรียกว่าผวาจิตตัวนั้นตัวที่ไ ป, ไปไปไปต่อข้างหน้าทีนี้นถ้าจะไปต่อแบบยังไม่มีสติอะไรเลยนี่นะมันจะเกิดอะไรขึ้น เราก็ในขนาดนั้นกิจต้อออกจากต่างไปแล้วจะไม่ได้บอกยังไม่สั่งไม่ล่างอะไเลยไปอยู่ในอยนตย์ไปไปบนนอนนั่นแหละที่มันไปยังไงก็ไปด้วยกรำนนิดแลรร้วกำกำนิดคือมันสภาวะามันคิตมันเป็นอะไรมันจําอะไรไว้มันปรุงมันแต่งอะไรไว้ในขนาดนั้น มันก็จะไปตามกรรมพระนักกรรมไม่ได้เปลว่าการกระทําหมืนกันเหมืนเป็นผลลัพไปไปไหนไปสเสวยไปทําอะไรไม่ได้แค่ไปสเสวยคือจะไปไปทำบุญทําบาปเหมือนอย่างผู้รอนไมนะ่ได้ก็ไปสเสวยถ้าจิตเราไม่ฝึกเราก็จะอยู่กันเน่นจะต้องมืด จะก็สว่างจะก็มืดดิบก็สว่างถึงเหมือนกับวันกัางคืนวลางวันกงคืนทีนี้ถ้าเราจิตของเราไม่สว่างสถียรยังแยกไม่ออกว่านี่มันกลาวันนะเป็นกลาคืนนะกลาคืนเราอะไรไม่ได้นะในขณะที่จิตเรามัวหามงกุฎงามันมืดมันบอดทาอะไรไม่ได้นะสรุปแล้ววันหนึ่งทางนเดียกี่ชั่วโมง ท่านก็ดเรียาว่าทาความดีที่เป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าไม่ใช่ปัจจุบั น, นในภายภาคหน้าทีเราจะไปจริงๆวันหนึ่งเราได้กิดบกชั่วโมงมันมันเยอะไปไหมชั่วโมงที่ได้จริงๆที่ทำและได้กี่ชั่วโมงเปรียบ24ชั่วโมง ที่เป like like ็นตัวของตัวเองจริงๆที่เป็นบุญเป็นบาปทีเป็นกุศลอกุศลจริงๆทีเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเม็ดเต็มเลยนะเราได้ก้นไปเสียเวลาเกิดกันไล่สาระมีสาระในนี้ไปแล้วมันเราไปคิดได้อน่ไหมนุ่มๆว่ามันไม่ไหวแล้วโลกก็ไม่ไหวแล้วเดินก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้แล้ว กำลัชีวิเหมือนกันแต่ความสะดวกทั้งหลายมันมีนิด น, นึงาำลันยังไม่พอธรรมชาติมันก็จะสอนเราไปเรือยอันนี้เกิดอันนี้แกอันนี้เจ็บ อ, อ, อันนี้ตายโดยเฉพาะคือว่าเจ็บแค่ได้เปรียบเลือสีเลือดห้าเลือกก็ไปแล้ว ที่ภาษา ส, สมองมงมาตลอดชีวิตคือเข้าวปลาอาหารนี่แหละคือตัวติดต่อโรคภัยให้เจ็บเรียกพายาธิคือพายาธิพยาธิทาอย่างว่าไม่งาดเก่าเราก็แปลว่าโรคก็คือพยาธิพายาธิมันก็พยายามมีบนทําลายเราตัว 7, รโรคภัยไข้เจ็บสารพัดโรคอะไรก็จเสื่อมไปแล้ว เป็นเวลาที่ต้องละสาตัวเต็นแต่ใครไม่รักตัวเองอ่ะมันจะเห็นชัดเจนเลยคือไม่รักสุขภาพเองเลยไม่รักตัวเองเลยนาทีหนึ่งถามมาเราจะรักตัวเองเมื่อไหร่เราจะรักตัวเองสักทีจะรอตรงวันไหนรอตรมันรเราเกษียะเกษียณก่อนหยุดก่อนรอออกแรงแรงก่อนแล้เมื่อไหร่วันนั้นมาถึง แต่เพราะนั้นในกระดาษที่ทุกวันนั้นเรายัางขึ้มแ็งลงแรงคื อ, อร่างกายร่างใจถึง็งต้องสร้างกับตัวเองนะอย่าไปพึ่งพาคนอื่นลูกหลานนานนี่นจะไปคิดว่าตายไปแล้วเขาจะมุนให้ต้องถามว่าตายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรมากก็บรรพบุต ร, รอของเราปีหนึ่งเราได้ถึงกี่วัน ก็สิ่งที่รูละเขาจะทําให้เราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างวันนี้จะวันตุรกีหนึ่งคือวันว่างวันนึ่งถึงวันนั่งบนตุรกีปีหนึ่งมีกี่กี่วันสามร้อยเก้าพันต็นถึงเรากี่วันทับส่วนบาทที่มีอยู่อันนี้มาได้ดูถูกเราพูดถึงวันจริงนะต่อให้เราหาเขาเป็นร้อยล้านพันล้านเขาถึงเรากี่วัน อันนี้คือควาจริงนะว่าอาจจ ะ, สะแสลงอาจจะแพงใจแต่มันคือคนจริงพตอนนั้นเราไม่หาไว้ไม่เก็บไม่กักไม่ตุนไว้ด้วยตนเองจะไปวางเพื่มบนอืน่อนเพราะนั้นเดือนนี้จริงๆเป็นเดือนความรักขอฝากให้พวกเราทุกคนเริ่มต้นจากรักตัวเองนี่แหละพอเ ร, รักคนอืน่นรักมาเยอะแล้ว ไม่ได้ไปลว่าไม่ให้รักคนอื่นรักได้แต่ว่าอยากให้เพิ่มจากน้อยก็สมดุลหน่อยคือห้าสิบห้าสิบรับคนอื่นห้าสิบับตัวเองห้าสิบก็ยังดีนะแต่มีเท่าไรให้หมดเลยนี่อันตรายนะอันตรายถึงตายเลยนะรับโปรเปอราไซจะยว ง, งา่ายเลยถ้าไม่มึงก็ปูแล้ตายเป็นข่าวรายวันนะเพราะาอะไร เขาไม่รักตัวเองเราบอกคนอื่นเขาไม่รักเราโอกาสที่เขาเขรักกันแล้วเึงขั้นตายเลยนะมีขาทุกวันขาใหญ่โตตอนนี้อยู่เป็นเ่องอย่างนี้แหละรรับตัวเองเริ่มต้นจากก็สิ่งที่เราทำอยู่ประจำสิ่งห้า เป็นตัวสัญลักษณ์ก็ดูบอกว่าเรารักตัวเองตานาติปาตามุ่งให้เรามีเมตตาหมายให้ใจมีเมตตามันทำร้ายทำลายกันไม่ได้มันฆ่ากันไม่ได้แต่ว่าอหางสุกิโตหอมเนี่คือรักตัวเองนะอ่ ะ, อะคือตัวเราเนี่ยสุกิโตหอมเบื้องต้นเนี่ยข้าท่านสอนเราอย่างนี้มาตลอด ให้รักตัวเองก่อนให้ตัเองมีเมตตาก่อนอย่าเพิ่งไปขอเมตตาจากคนอื่นนะเระกันขอเอาไว้ขอความรักจากคน อ, อืน่นเขาการที่เราขอความรักแสดงว่าเราไม่มีความรักการที่เราขอสตางค์คนอื่นเขาเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีสตางตคา์เออต่อการที่เราไปขอเมตตาจาก อ, อืน่นก็เหมือนกันแสดงเราได้ไม่อื้อเมต่างอาหารชีวิตโตค้คง ตัวเองเมตตาก่อนเมื่อเรามีเมตตาแล้วเรามีความรักแล้วเรามีสตังค์แล้วจะให้ใครก็ได้เราเป็นคนมีสติหลักการมันเป็นอย่างนี้แต่ทุกวนันหลักอะไรก็ไม่รู้ก็เตลเตลเตลตอนที่เราทำทุกวันนะ่ะเราเอเป็นเป็นบทเรียนของชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในชีวิตปรงมันงานตัวเอง เป็นเยอะหนะ่อยอย่าไปทำลายตัวเองปนานดีปาตางอธินาทางกาเมบุษาสุราเมีนี่เป็นถ้าใครเป็นล่วงละเมิดก็จะได้ออกไปทำลายตัวเองสุดท้ายปลายทางถ้าไปละเมิด้าคราวที่อยู่คือ ปัญหาหมดลงไปในทุกขหาอะไรก็ประมาณนี้เพราะะนั้นแสดงว่าเราไม่ได้ติดทุกข์ที่ระดาเพมันมันไม่แสดงว่าเราไม่เคย่วงเมื่อใดอาจจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอันนี้แค่ผลประโยชน์ของกรรมสินกรรมเดนกับปฏิเนตมีสินคนทุกสินอันนี้แค่สินนะ ผลประโยชน์มากมายมหาศารส่วนคำบริองใจสินพริงใจโตเป็นตายคาในตัวลงเป็ใจสองคำเนี่ยสิลกับทำเนเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเราเป็นละเลยของพวกนี้ไปสนใจแล้ก็ไม่รู้ไม่ชิดจต่มันชิ้นที่สนใจเราไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราเก่ยนอกโลกนอกจักรวาลคนนั้นนี้สนใจแต่เรื่องคนอื่น คนอื่นรู้เรื่องของหมดคนนั้นเป็นนะกนนั้นเป็นค mm ั้นคนนั้นดีคนนั้นชั่วแต่ความดีความชั่วตัวเองนะไม่ดูเนี่เขาเรียกว <c ười> ่าไม่รักตัวเองส่วนคนอื่นเขาจะดีเขาจะชั่วเป็นเรื่องของเขาเขาจะเป็นเศรษฐียากดีมีจนพ่อเป็นเรื่องของใารมันจะเรื่องของเราเราคิดนี้เสมอเออมันไม่ใช่เรื่องของผม ตู้เแทกยังไม่รู้เรื่องเลยกูจะอยู่ยังไงกินยัง ไ, ไงไปยังไงตายแล้วกูจะไปยังไงแ่นี้นะฮะก็ตัวขอ ง, งอตัวของอเวโรองอายาประโชหนีเป็นคนดังนั้นเลยถ้าเราำตำดา ม, มันจะเป็นคนกับตนะัวเราเองั่นทุกครั้งทุกครั้งเวลาทา อยาให้พวกเรามี ส, ต, มสติต้อใช้สติทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นทำบุญทำบาปอ่ะเช่นทำทานก่อนที่ทานนะครับตั้งสตินิดนึงตั้งมนหนึ่งมาครับว่าก่อนให้ขณะที่ให้หรือให้ไปแล้วรองมอพิจารณาดูว่าก่อนที่เราจะทำบุญหรือทาน พรที่เราจะให้นะจิตใจเป็นยังไงทางกายทางวิญญาณในขณะที่กำลังให้อยู่ก็บเลือกระทำอยู่มันเป็นอย่างไงทําไปแล้วมันเป็นอย่างไงสามอารมณนะ์นึกให้ครบถ้าก่อนที่จะให้เหมือนก่อนที่จะมาวัดเนะี่ยอันนี้เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องกับทุกสถาบันเช่นก่อนที่จะมาวัดนะ่ะเพรที่มันปัจจเป็นบุญอยู่แล้ว จะไม่บุญมาไม่ได้ตั้งกันไปว่ากอที่จะ ม, มาเนี่ยตัวเราเป็นบุญอยู่แล้วในขณะได้มาก็มามาถึงก็เป็นบุญกลับไปแล้วก็เป็นบุญนี่คือลักษณะของบุญต้องข้ามกับบาปก่อนที่จะทําอย่างปานาติปตาอานาทานการนึงก่อนที่ทํามันก็เป็นอกุศลมันเป็นบาปไปแล้ว ในขณะที่ทำมันก็เป็นบาปทาไปแล้วัหนักอีกผลก็มัน อ, อุปกอบเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็อยากให้พวกเราพี่นะั้นก่อนที่จะทําขณะทําอยู่หรือทําไปแล้วถ้าก่อนที่จะทําทําอยู่หรือทําไปแล้วมันสบายใจตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือบุญถ้าก่อนทำอะก็ยังเดือดร้อน ในขณะทํำกระโดดทําไปแล้วกระโดดนั่นแหละคือบาปนั่นคือไม่รักตัวเองอย่างนี้เป็นตัวชีว้วัของเราเออบางทีทำไปแล้วมาดึกดทีหลังมันมีปุ๊บอะไรตอนนัคิดให้เราครอบก่อนไอ้คาว่ารักครอบตัวเนี้ยก็ชี้วิบว่าสติสําับการเรามาฝึกมาฝึกสติถ้าเรามีสติ พ่อไปกจะพูดเรื่องเดิมพวาุสติกับปฏิสตังมันจะต้องพูดกันกรสติกับสตังจะหาสตังจนทีบ้าตาเลือหาเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้ผ่าตัดผ่าสมองผ่าหัว่าแกนผาา้าเอาไปชมแหละจะเป็นค่าค่าตอบแทนหลือระแสบพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นั่นเอง บอกกระหามาทั้งชีวิตเพื่อมาเช้บนเตียงอย่เดียวนี่นะเราไป ค, คิดเานะมีเป็นแสนล้านช่วยอะไรไม่ได้เลยเศรีมาเศรษฐีป่วยครึ่งปีปวด ป, ปีแต่ไม่เด็ดร้อนแต่คําถามคือเพื่อมารักษาตัวเองชีวิตเราเป็นความไม่พอเลยแ น, น่นอนนะเราะะอยากให้สติกับสตางค์เกิดขึ้นกับเราทุกวัน ไ่เอาแต่สตังอย่างเดียวไม่ได้เมื่อเต่สตังสตางก็คิดว่ามั น, นคิดมีค่าไหมครัคิดว่าช่วยได้ใครนี้เราไม่มช่วยเราได้คิดอย่างนี้พรุทธเจ้าไม่ออกบวชเพราะพรุทธเจ้ามีเยอะๆพวกเรามีเยอะๆได้ทําไมท่านทงไม่ติดตัวสักบาทเลยพรุทธเจ้าออกบวชมา ไ, ได้เอาสตางมาสักบาท มาตัวเปล่านะแล้วทําไมพงษ์คิดอย่างนั้นแต่พวกเรากลับบอกว่ า, ายอยาจจะงไงก็ได้เอาใครมีสตังค์เยอะนะ เ, อเนี่ยเอาแนวเขาคิดนี้มาจากไหนปรเดมาพูดทางตลรางกระจานี้เรานับถือพระเจ้าเป็นที่พึ่งสูงสุดแล้วทาไมเราไม่เอาปฏิปทาของพระมาใช้แต่เราเนึกถึงพระเจ้านึกถึงพระเจ้างความเป็นพระเจ้าจะเป็นยังไง เร่มตนก่อนที่จะเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าได้อย่างไรไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่สอนอย่างนี้สอนว่าทุกคนเป็นเหมือนพระ อ, องค์ได้หมดมีพระเจ้าองค์ไหนสอนได้ว่าความเป็นพระเจ้าต้องทำอย่างไรทุกคนเป็นพระเจ้าได้ไหมถ้าเป็นต้องหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามีต้องทำอย่างไงเป็นไ แต่ผู้จ้างเราเราเป็นผู้จัดงานเป็นเหมือนพระองค์นั้นถ้าทําตามเหมือนพระองค์เพราว่าตที่พระองค์จะเป็นพู้จัานกะเป็นสารพัดพระองค์อดทุกอย่างเปิดเผยเป็นมาหมดถ้าภาษาเราไม่ติดสัดพระองค์เป็นอะไรพวกพูดหนึ่งขนาดสุช้างพูดเรงพูดอะไรที่เราเลือกเพราะสัตวนะพระองค์ก็เป็น ยังเปิดเผยแล้วก็ใช้เป็นถึงมากกว่าพวกเร า, าโอจิตของมนุษย์แต่มันเป็นได้ทุกอย่างนะแต่เป็นแคว่าเราเกิดมาเป็นคนชาติน่าจะกลับมาเป็นคนอื่นมันไม่ใช่นะไปะเจริญธรรมะมากกว่านี้ชาตินี้เป็นคนแล้วมีโอกาสมีเวลาเต็มที่แต่ชานะหรืออนนี้หลักประกรนันอะนี่คือพุ้นเจ้าของเราแนละ เพรนั้นถ้าเราเคารพพุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าตบฟังเคารพแล้วก็ทําตมามอันนี้คือความเจริญเยี่ยมของศาส น, นาของเราศาสนาคืมีปัญญาดนั้นถ้าใครมีโอกาสมีเวลาสามวันสามคืนที่เราอาจะได้ได้ขึ้นได้จริงๆอะ่ะคืด้สติมีตแต่สตางค์สติเนี้ยมันจะได้ติดตัวติดใจของเราไ ป, ไปพักหน้าก็คือเป็นสมบัตินั่นแหละ เป็นทรัพย์แต่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์จากการขโมยไปไม่ได้ไฟก็ไม่ได้โจรก็เอาไม่ได้เป็นอริยทรัพย์แต่ถ้าเป็นทรัพย์ภายนอกอย่างพวกเราเดี๋ยวเราขยไปโจรตนไปได้ใจหมดไปหมดไปแต่อริยทรัพย์นั้นไม่หมดเป็นของเราจิตใจเราไปไปนานก็เจริญโจประชาสัมพันธ์ให้พวกเราทราบ หรือเราอาจจะไม่มีเวลาได้อยู่เต็มทั้งตามวันเลยมาฟังฟังพระพูดอย่างนี้ก็ได้สิ่ิที่เราต้องการคือสติคือเราจะได้คิดได้อันจะเป็นตั้งอยู่ทั้งวันตั้งคืนก็ได้ถ้า ก, กาันมีเวลาไปดูตารางดูกำหนดการแล้ววันนี้ท่านพูดตอนไหนพูกี่โมงเข้มาฟังปฏิบัติตามนิดหน่อยก็ถือว่าได้ประโยชน์ ต่อที่หนึ่งเราก็ที่จะทําตัวอย่างนี้มันก็มีไม่เยอะมีว่าคนหนุ่มคนน้อยนี่ฝากโรงเรียนหรือเด็กมาเจาแเาเอแจกเจอเตนอันนี้ผลผลก็คือตอนนี้มันมันไม่มีผลอะไรพอเด็กมันโตขึ้นมันจะจําอารมณ์มันี้ก็ครั้งหนึ่งพ่อแม่ปูย่ย่าตายายพาไปวัดตอนนี้มันไม่รู้เรื่องแล้วเด็กมันก็จะจํำได้มันเกิด ค, ความดีที่จิตใจเข้าไปติดจิตเข้าไป นะพวกเราไม่อยู่แล้วมันแน่นอนที่สุดแล้วเมื่อพวกเราไม่อยู่แล้วเขาก็จำแบบเขาก็ต้องทําตามอย่าง น, น, น, น, นางี้เป็นผู้นาในทางทีษฎีเป็นผู้นำในทางทีษฎีเป็นสอนในทางทีษฎีตอนนี้ก็เป็นเรื่องวิ่ง เ, งเล่นเราอางไหกี่ตัวไม่ได้ไมเป็นไรแต่หน่วยมันจะอยู่ในหน่วยความจำมเรียกว่าจิตใต้สํานึกมันจะทําหน้าที่ของเองมันจะนําทางไปเอง อันนี้ก็เหมือนกันได้พวกเรามาแต่ว่เรามาปฏิบัติธรรมลูกหลานอาจจะไม่มีโอกาสมี่อไาร่ แ, แต่วาถามว่าไปทางแม่ไปไหนคนรอบตัวเราทางหลังบอกแม่ไปวัดมันไม่ไปฏิบัติธรรมมันฟังคํำพูนๆนึนงมีอะไรแต่คำว่าแม่ไปวัดพ่อไปวัดยายไปวัดมันจะอยู่ในจิตเขาไหม จิตก็ อ, อยู่ในวัดด้วยจิตไดขนานั้นมันเป็นวัดขึ้นมาเป็นมโนภาพขึ้นมาสร้างก็อ๋อไปวัดคืออาจจะไม่รู้ว่ไปเพื่ออะไรไปทาําไมแต่จิตมันไปวัดแล้วมันเป็นความดีแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่า ง, างต้องกันข้ามทุกหมดอ่ะแม่ไปไหนอเป็นเมาเฮียกลางบ้านคนนึงเกิดอะไรขึ้เด็กมันจะจำอ๋อแม่เป็นเมาเกลางบ้าน ย า, า, ออาเ ย, เ, ย, เ, ยเป็นปปเมาต์ต่างๆเกิดอะไรเป็นมากกว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะทำในคือเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีแกอนุชนร้านหลังประโยชน์อย่างน้อยที่สุดก็คือเราได้ไปดูแลคณะกรรมาิการเชิญชวนมาอีกครั้ ง, งใน ว, นใวนันที่วันี่สี่วี่หกวันแห่งความรักแท้จินของวัติบริสุทธิ์และก็ที่มาเราเกิดขึ้นได้ก็เพราะ เกิดจะกความรักที่บริสุทธินะ์มาถึงศาสนาของเราส่วนความรักของเราจะ เ, เกิดเป็นรูปร่างกายสังขารอันนี้งก็ เ, เกิดจากความรักความรักเหนี้กบบันแต่รักแบบโลกหรือรักแบบธรรมปัถญารักแบบโลกเราก็เข้าใจรักแบบธรรมเราก็แค่ชีวิตเราจะสมบูรณ์แบบมากที่สุดปัญญาให้ชีวิตสมบูรณ์แบบก็คือ ให้พวกเราเขาว่าเขาว่าทำเต็มสิ่ต่อหน้าบ้างเป็เชิดเป็นกันดันตัวเองกางกอดเดินในความรักนี้คว่าเท่าไรเบื้องต้นะเติมต้นใหม่รักตัวเอนถูกต้องที่สุดแล้วเอาความรักที่เราไม่อยู่นะให้คนอื่นครอบตัเราข้างพอกนั่นเรียกว่าแผในตาเอาความรักคนอื่นแต่ว่าคนจะให้คนอื่นได้น่ะเราต้องมีก่อนนะเราจะมีความรักก่อนที่จะเอกคารักคนอื่น เราต้องมีเมตตาก่อนเพืจะเอาเมตตาคนอื่นเราต้องมีสตางก่อนเพืจะเอาสตางให้คนอื่นได้นี้บอกอยากเอาสตางให้เขาจังเลยแต่นกระเป๋าไม่มีรู้ว่าสตางมีค่าแต่ไม่มีอะไรจะให้เขาเราก็ไม่ได้ต่อบฟังท้ายอันนี้ถ้าใครมีกับาลเวลาช่วยกันบอกประชาชนใค้มานั่งฟังก็ได้ไมันจะเป็นนัดต่อ ร่วโครงการเอาก็จะรดประโยชน์และจะเป็นบุญเป็นกุศลในฝั่งเย็งคื อ, อเทือนนี้ก็ิบเป็นปฏิบัติบูชาคุณพรกผู้เจา้าคุณของพระธรรมคุณพอุปอัชฌา์ที่ทีได้แต่วันนึ่งก็เพราะว่าความเมตตาของพระอาธิยเจ้าสาหลายตังันสอง1 2ยห้าสูปในวันนั้นก็จริงวันนี้ข อ, ขออนมุมทนาความดีที่เราทามาทั้งหมดในวันนี้วางไว้ฝากแล้วก็ววในสติ ได้สิทธแล้วก็พิจารณาก็ลงมาทํำรักตัวเองรักตัวเองรักตัวรักปอรักเมรุรักตนเองตัวที่อะวัดอะไรที่จะวจาการก้าววัดต่างๆสิ่งต่างๆนั้นก็มีประกอบพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งก็อย่าลืมอุทิศเฉพาะเจาะจงความดีที่เราทําในวันนี้ให้กับบรรพบุรุษของเราคือ พ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ยิป น, นทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราต้งหลายใต้กระทำบาพ็ีนในวันนี้